พระอนุบัญญัติ188อันนึ่งภิกษุใดชักชวนภิกษุณีโดยสารเรือลำเดียวกันไปทวนน้ำก็ตามไปตามน้ำก็ตามต้องอบัตตาจิตตีเว้นไว้แต่ข้ามฟากเรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูปจบ